และรู้ทำเห็นทำที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้นั้นมีความลึกตื้นอยาประเอียดหนักเบาหรือวิเศษเพียงไรนั้นจงนำการปฏิบัตินี้เข้าไปเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องทดสอบจะได้เห็นขึ้นตามหลักธรรมที่สอนไว้อย่างเคร่งเคร ด, ด้อนร้อนนั่นแหละทำทุกบททุกบาทไม่มีอดีตอนาคต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 ไม่ได้มาเป็นค่าศึกต่อจิตใจเช่นเดียวกับความสําคัญมั่นหมายอันออกจากตัวงวิริยนี้ให้ทําให้เกิดความยืดความถือความรักของมจำนี่เลยเพราะฉะนั้นการกล่าวจึงนอกเหนือไปจากสิ่งนี้ไม่ได้เพราะสิ่งนี้ใกล้คิดติดกับใจจริงๆจึงจป็จนหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจเมื่อยังไม่มีสติปัญญาแยกแยกออกได้แล้ววิรลย ก, กับใจนี้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 กำลังเราไม่พอแล้วคล้อยตามมันเสียดายความคิดความปรุงเสียดายเรื่องนัญญยาอารมณ์ที่มันมาหลอกมาลวงมาต้มมาถึงก็บืนไปตามมันเสียจนได้คำว่าสมาธิก็ถูกอยากย่ำทำลายไล้เสียนอกจากลอกปลอกเปิดไปตามอารมณ์ต่างๆด้วยความเสียดายด้วยความหมองใจนั่นแหละ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 เข้ามาเป็นทั้งที่เป็นอยู่ในขณะที่สัมผัสสัมผัส น, นั้นทั้งที่เป็นอารมณ์อดีตเข้ามาทุ่นที่อยูภายในจิตใจนี้ในจิตกลายเป็นอารมณ์ของอันเดียวกันไปหมดแล้วฉุดลากไปโดยที่เจ้าตัวไม่รู้คําว่าสมาธิคือความสงบใจเมื่อถูกก่อขวัด้วยอารมณ์เหล่านี้อยู่แล้วจะหาความสงบทีนไหนได้ใจจิตไม่สงบการที่จะทําใจให้สงบ ต้องมีท้าต่อสู้กับสิ่งเสียดายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้เพราะทางเหตุผลแล้วเสียดายมันอะไรความคิดก็คิดไปเรื่องภากเรื่องขันเรื่องหญิงเรื่องชายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องซ้ำั้ำซ้ำด้ำซ้ำซ้มซ้ำซ้ำซ้ำซแดนแมซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้าซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ่ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้เห้ำซนำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ะซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำ้ำซ้ำ้ำซ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 ทุกพระอารมณ์อันใดก็ไม่เห็นโทษไม่ว่าจะส่วนยะอารมณ์อดีตอนาคตใกล้ไกลคไปแล้วมันวาดภาพหลอกไปได้หมดหลงไปได้ทั้งอดีตทั้งอนาคตหลงแบบลงลมแรงๆอยู่เช่นนั้นหลักความจริงที่ควรจะได้จะถึงตามความมุ่งหมายแต่พ้อยิ่งอย่างยิ่งของนักปฏิบัติยิดต่อภานายิงไม่ปรากฏจะปรากฏได้อย่างไรเมื่อมีแต่สิ่ง เ, เหลวๆไหลๆเหล่านี้มาเป็นสาระแกนสารภายในจิตใจบีบขัน้นจิตใจซะโดยแต่เดียวตลอดเวลามาอยู่แล้วล้วจะหาความวิเศษวิสูจจากอะไรที่ไหนกันให้คิดนัปฏิบัตินี่สอนให้คิดอธิบายให้คิดสิ่งเหล่า น, นี้มันจำเจลเหลือประมาณถ้าหากว่าจะมีประมาณจับกันทดสอบกันแล้วมันเหลือประมาณล้นหัวใจด้วยกันทุกรายทุกราย ล้นหัวใจก็ล้มเหลวอยู่ในหัวใจเต็มั้งหมดมันมีมากเท่าไรยิ่งมีความล้มเหลวภายในจิตใจมากได้ของพิเศษอะไรจากอารมณ์เหล่านี้<อ>เราจึงได้กระหิมยิ้นย่องกำมันอนักหน า, นามไม่เคยเห็นโทษเห็ไปของมันอารมณ์ใดมากก็ความมากความ า, า, มาตื่นเป็นบ้าไปกับมันหมดนี่ที่ว่ามันแหลมคมซึมซาบแทรแซกซึมอยู่ตลอดเวลาการภาวนาของเรา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 แล้วฝืนกันลงไปคำาฝืนนั่นนหะคือการชักกระเยอะกันกับีิเลพีิเลสดึงไปเราดึงมาฝืนเข้าสู่ธรรมถ้ามันจะขยับตัวออกไปจิตก็ให้ใช้คำบริกรรมผู้อยู่ในขั้นบริกรรมเอาให้หนักตั้งหน้าตั้งตาทาอย่างแท้จริงไม่เช่นนั้นจิตจะหลุดมื้จากมือของมันเข้ามาสู่ใน วงสติปัญญาของเราไม่ได้แม่ชั่วขนาดหนึ่งพยายามทาต่อสู้กันเช่นนั้นการปฏิบัติไม่ต่อสู้ไม่ฝืนไม่ได้ไม่เรียกว่าปฏิบัติต้องฝืนทางนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันรอบทิบรอบด้านทั้งภายในภายนอกห น, ห น, ห น, นานแน่นด้วยมันทั้งนั้นไม่มีอะไรหนานแน่นโลกธาตุมันจะใหญ่โตขนาดไหนยี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 อารมณ์ของใจนี่แหละมันไม่แสดงออกไปเพื่อต่อเรื่องต่อรามันขาดอยู่ภายในจิตใจก็เหมือนกับว่าอารมณ์ภายนอกขาดไปเพราะใจตัวคัดึกขนอง น, นี่ไม่ออกไปคว้านุ่งควานี้ยึดเข้ามามัดขอตัวเองก็เป็นอิสระในขนาดนั้นเพียงครั้นี้ก็กระเทือนหัวใจมากในวงปฏิบัติของคู่ปฏิบัติตื่นเต้นศรัทธาความเชื่อ เชื่อด้วยความรู้จริงเห็นจริงภายในตัวเองย่อมเป็นอาจารตะศ ร, ร, รัทธาเชื่อมั่นนั้นความเพียรความพยายามทุกอาการจะรวมตัวเข้ามาสู่จุดเดียวแลวก็มีกำลังเมื่อมีกำลังแล้วก็หนุนจิตดวงนี้ให้มีความสงบละเอียดเข้าไปโดยนั้แบบหรือว่าให้ได้นานจนเป็นพื้นฐานแห่ง ความสงบอันมั่นคงขึ้นภายในจิตใจของตรานี่คือจิตเป็นสมาธิรู้ได้ชัดร่างกายทั้งร่างนี้ก็ทราบว่าร่างกายใจที่ผี ค, ความรู้ที่เด่นดวงอยู่ภายในวงร่างกายนี้ก็รู้ว่าคือใจไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันนี่เพียงขั้นสมาธิแล้วก็พอแยกออกมาพูดได้แล้วว่ากายเป็นอันหนึ่งใจเป็นอันหนึ่ง ไม่ใช่อันเดียวกันนี่ถ้าไม่มีสมาธิจะไม่ทราบเลยว่าอะไรเป็นไรแต่จะเมาเอาทั้งร่างนี่แหละ ว, ว่าเป็นเนาเป็นของเราตลอดถึงมูดคูดมันเต็มอยู่ภายในร่างกายนี้ก็ว่าเป็นเนาเป็นของเราจะต้องเราอยากว่าแต่ร่างกายเหล่านี้จะเป็นเราเป็นของเราอย่างเดียวเลยมันเป็นไปหมดมันเมาเอาหมดมันบีบบังคับให้ยึดให้ถือให้ตรึงไปหมดคือยู่าจิเลนแล้วเป็นเชนนั้น แต่พอจิตมีความสงบเย็นลงไปแล้วมันแยกของมันเองเรื่องของมันเองเพอมีจิตมีความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาจะเป็นความสงบขั้นใดก็ตามนอกจากปัญญาวิสา ม, มันของปัญญาที่เราจะควรใช้ในเวลาที่มนะันกาลังยุ่งเหยิงวุ่นวายชุกมุนกันอยู่นั้นเข้าปัญญาเข้าฟาดกันตรงนั้นก็ได้มันเป็นกรณีพิเศษแต่ตามหลัก สาคนอยึางผู้ปฏิบัติทั่วไปแล้วมักเป็นอย่างที่ว่านี้เมื่อพิมีความสงบมากน้อยอย่างไรถ้าให้พยายามพิมพิจารณาทางด้านปัญญาที่คลายดูทั้งความปฏิกูลโสโครสก๊าโตกโสมุมที่คลายดูทั้งเรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตาอาการใดก็ต า, ามในใจละใจ ก, ก็ตามเมื่อสัมผัสกับใจดูดดึงกับใจแล้วเป็นความถูกต้อง ให้พิจารณาใจรักนั้นแล้วจะประสัดประสานกันไปหมดทั้งสามใจรักนั่นเอะปัญญาจะเกิดเกิดด้วยการพานําออกพิจรารณาเกิดด้วยการบังคับให้พิจารณาซะก่อนในเบื้องต้นแล้วจะปล่อยให้ปัญญาเกิดเองนั้นอย่างน้อยเกิดได้ยากมากกว่านั้นไม่เกิดใน ถ้ากิเลสหนาปัญญาอากอย่างพวกเรานี่เป็นเช่นนั้นไม่เหมือนผู้ที่บางผู้ที่มีกิเลสเบาบางเป็นประเภทอุกติเตอยู่วิไปหยิกันอยู่นั้นยกไว้เป็นกรณีหนึ่งหรือประเภทหนึ่งต่างๆท่านแนะนําเข้ามาเกี่ยวข้องกับวงสมาธิปัญญาดังที่ว่าสมาธิปฎิทาปริภาวิจาปัญญามหาปราหุกิมหาในช่างชา ท่นเป็นของท่านไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ได้ยินได้ฟังก็เป็นไปเรื่อยๆเราไม่เป็นอย่างนั้นเั็นต้องได้ใช้การ น, นำออกที่แจ้งมาที่ขาดเราอยากกำหนดไปร่ำเวลาให้จิเล็สมันมาปักปันเขตยนแดนเอาไว้มาทํางานสวมรอยเราบังคับเราใส่งานของมันเราต้องทํางานของเราดูมันอยากจะออกไปคิดไปไหนไม่คิด จิตที่มีความสงบแล้วย่อมไม่หิวโหวยมีความอิ่มตัวในพันธนี้ถ้าทําการทํางานอะไรก็ทำถ้าเป็นไปทั้งความหิวโหวยเลยงนะพอพิจารณาให้เปนปัญญามันกลับเป็นสัญญาลงแล่เลื่อนร่อนไปเสียไ ม, ไม่ได้สับโดยแสงไม่ได้เรื่องโดยราวท่านจึงสอนให้จิตมีสมาธิคือการอบลงให้ใจสงบเย็นแล้วก็มีทางที่จะพิจารณาได้ พอปัญญาได้เริ่มก้าวตัวออกไปสู่สภาวธรรมทั้งหลายทั้งภายน อ, อกภายนมโดยทางอนิจจังสุภังนัจาก็ดีโดยทางอสุภ า, า, าอสุพปังปฏิคูลโสมก็หรือโสมกตุกโสมมก็ดีแงวจิต จ, จะก้าวไปเลยเอยเมื่อเห็นผลแล้วก็ยิ่งขยับตัวเข้าไปแล้วการบังคับบรรชาก็น้อยลงน้อยลง เพราะพบปัญญาได้ทู่ผลของตัวเองแล้วเห็นผลในการกระทาของตัวเองแล้วย่อมจะหมุนตัวไปได้เลยเกดความพอใจอสอบแสวงอยากรู้อยากเห็นอยากละอยากถอนอยากพ้นพิจพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นก้าวสิท์และสิ่งที่ทำให้ติดให้พัวพันคืออะไรเป็นเพราะอะไร มีสาเหตุมาจากไหนมันจะซิกซิกแซกแซกซอกแซกไปทุ่แงกทุกมุมแล้วขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วไม่มีอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าวิจะตรเดชจะแหลมคมขนาดไหนกันตามเมื่อปัญญาถึงขั้นที่จะแหลมคมกว่าที่โหลดแล้วยังไงก็ต้องแหลมคมซอกแซกไปได้หมดที่เหลือเข้าปักเสียบไว้ตรงไหนตรงไหนว่าความน้ำจะถึงแหลมหลาจะหยาบแล้วยายขนาดไหนปัญญาจะเที่ยวถอดเที่ยวถอนออก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 จนกว่าที่เรศ จ, จะบรรไลัยไปกึงเมื่อไรแล้วปัญญาถึงจะหยุดตัวนั่นเป็นขั้นอัตโนมัติแต่จะเป็นกนับนักปฏิบัติกันนักพิะารณาที่ชอบพิจารณาชอบไถ่ถองเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วความเยื่โลง่งทพว่ความพ้นทุกข์จะเปิดเผยออกมาอย่างประจักใจ ความติดตามอันตูเพราะอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นเหมือนยักษ์เหมือนผีซึ่งติดตามหลังมานี้มันจับเป็นเหมือนเสือร้ายไล่จัดเราความเตียนโลงเพื่อความพ้นทยนั้นจะเปิดด้าปิดด้าเนี่ยที่ว่าความเห็นไทยเห็นอย่างนั้นกตความเห็นคุณก็เห็นอย่างเดียวกัน เมื่ทั้งความเห็นไทยทั้งความเห็นคุณเข้าหมุนดวงใจดวงซึ่งท้อถอยอู่แล้วนี้ยังไงก็หยุดไม่ได้หมุนตัวติวติวตวิเราจะได้เห็นชัดเจนว่าความขี้เกียดที่ค้านความทอแท้อ่อนแอความสงสัยสนเท่ความตําหนิ ต, ตัวเด่นมากบุญน้อยวาสนาน้อยงูกขาวบาปัญญานี้เราจะได้เห็นเรื่องเหล่านี้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 ดังที่กล่าวมาแล้วนี้นั่นแหละเกิดขึ้นมากขึ้นน้อยเป็นสมบัติของเราทั้งมวลทั้งมวลทั้งมวลเรืยไปเลยแล้วเป็นสันทิฏิโกเป็นตัรบัญชาที่พลิกแปลเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ร้อยชั้นพันคนพก็คือปัญญาที่เขียบขาดปัญญาที่ค่องตัวนั่นแหละเมื่อเป็นถึงขนนั้นแล้วกิเลสตัวไหนจะมียงนาฏวาสนามาเหนึ่งือมาป่าดังที่เคยหนือมาแล้วไม่มี นี่จะขาดสะ บ, บั้นลงไปขาดสะ บ, บั้นลงไปเพราะอันนี้เป็นเป็นธรรมชาติที่แหลมคมมากกร้าแข็งมากจนไม่มีอะไรจะมาต่อก่อนสุดท้ายก็ทังพลายบรรดาข้าสึกทั้งหลายซึ่งเคยเรืองอำนาจมาเป็นนานๆบ่มหัวใจเราทังลงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยสิ่งที่เหลือก็มีแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้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 กนั่งเสียฟังที่ไหนก็มีแต่เสียงมันไม่ใช่ธรรมธรรมแท้ขึ้นที่ใจใจเป็นอจนาจฉระสำคัญสาหรับรับธรรมเชื่อมต่อทําทั้งหลายมากน้อยจนกลายเป็นครังแห่งธรรมขึ้นมาที่ใจเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วมันหมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีมาในหัวใจมากน้อยขาดสะบัน้นลงไปหมด เนี่องแต่สวรรค์ทมกโลกนิพพานก็ไม่ขาดไม่ฝันไม่คิดไม่หมาย่รกอเวกีที่ไหนตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนพบใดชาติใดหมดปัญหาไปดูประการทั้งตัวเพราะไม่ทำลายหมดแล้วขึ้นชื่อว่าปัญหามีแต่ความยิงล้นล้นเป็นหัวใจพอตัวไม่ยิ่งไม่หย่อนถ้าจะพูดมาเึงนแบบลยาดหยาดก็ไม่ยิ่งไม่ย่อนนีว่า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 เหนั้งหน้าทั้งตาประพฤติปฏิบัติวาสนใจกับผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้อื่นใดก็ตามยิ่ยงกว่าสนใจดูวาราจิตจของเจ้าของคือมันคิดมันตร้งเรื่องอะไรมันสัมผัสสัมพันธ์กับจริงต่างๆมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างไรนั่นแหละเลตสังตังตัวเองขึ้นมาสร้างตรงนั้นสติปัญญามีก็สังหารเจตสดงต้ไปในขณะที่สัมผัสสัมพันธ์ในขณะที่ก่อคิดตุ้งของใจปรากฏขึ้นมา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 ถ้าสัญญาลาุมภะในจิตใจยั้งเที่ยเตะนุ่มถีบนี้ยันนั่นอยู่แล้วมันเป็นความไม่สงบระหว่างกันในธรรมยิ่ยงไม่สแสดงออกมาทางกิริยามารยาทโดยแล้วเลวที่สุดจึงไม่วรนํำออกมาใช้ในวงปฏิบัติเพราะนั้นเป็นเรื่องของขีดเด็กยาวขีดเด็กมาขายสถานที่นี้ไม่ใช่ตลาดซื้อขายขิ้เด็กเป็นตลาดแห่ธรรมศาสนาธรรมคือตลาดแห่งมรรคตุนิพพานไม่ใช่ตลาดแห่ง กิเลสทิฏฐิมานะมาโอมาอวดอันนี้โลกมีเต็มไปแล้วไม่เป็นของยิเศด็จไอเลยจึงไม่ควรนําเข้ามาเกี่ยวข้องมันปรากดขึ้นที่ใจนั้นแหละก่อนให้ดูที่ใจตัวเองก่อนที่จะไปเพ่งโทษเพ่งกรผู้หนึ่งผู้ใดให้เพ่งโทษตัวมันขนองภายในจิตใจนีน้แล้วจะได้เห็นจุดทของมันที่บกพร่องที่แสดงความเป็นตืนเป็นไฟขึ้นมาแล้วก็ลงรับกันได้ตรงที่ตรงนั้น ถ้าไม่ดูถุดนี้แล้วจะไม่มีวันสิ้นสุดแต่ว่าแต่เจ้าของนี่ถูกเรื่อยไปเรื่อยไปคนอื่นไม่มีทางถูกมีแต่เจ้าของถูกถูกเจ้าของสําคัญว่าถูกเท่าไรยิ่งผิดมากสุดท้ายก็เทกระเทือนไปหมดทั้งวัดทั้งบ้านซึ่งไม่ใช่ความมุ่งหมายของตัวเองที่ต้องการและเพื่อนฝูงที่อยู่ร่วมกันนี่เลยจงพากันน้ำมัดระวังให้ดีอย่าให้หนี เราเป็นนักบวชนักธรรมนักวิเลษไม่กําหนดว่าชาติท่านวันหน้าใดเราคือคนเราคือพระนี่โดยหลักธรรมชาติที่ถูกต้องเหมาะสมดูแลคนสมบูรณ์แบบพระสมบูรณ์แบบจะมาจากอุปชาใดาก็าตามมาจากบ้านใดเมืองเมืองใดก็าตามคือคนแล้วเวลาบวชเป็นพระแล้วก็คือพระตามกดเกณฑที่ท่านบัญญัติอไว้เป็นพระโดยสมบูรณ์ ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าได้ตำหนิงคนนั้นอย่าได้ตำแหน่งคนยิ่งกว่าการตำแหน่ตัวเองในขณะที่อาการไม่ดีของใจปรากฏขึ้นมาอาจมีความผิดพลาดประการใดในระหว่างที่อยู่ด้วยกันควแนะนําสังสอนกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยว่าด้วยธรรมอย่านํากิเลสเข้ามาสังหามกันผู้ฟังก็จะรับไม่ได้อย่าว่าแต่ผู้เทศผู้สอนดังนั้น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 ไม่เปรียบตัวเองไม่เปรียบวิเลทที่มีอยู่กับตัวไม่หวังเอารัดเอาเปรียบผู้หนึ่งผู้ใดนี่คือความถูกต้องนการไปการอยู่ของผมก็ไม่แน่นอนในะยานี้ดังที่ท่านทหารได้เห็นแล้วบา <c oughs> งทีก็ว่ลาดลาดจากไปโน่นไปนี่ทั้งที่ห่วงใยหมู่เพื่อนแต่ความจำเป็นก็บังคับดุจที่จาต้องทำนั่นของ